ตั้งเรื่อง 29 สิงหาคม 2524ณพุทธสถาน ไปเรียนทางเอกอีกที่จริงที่ มหาจตารีสกสูตรนี้จะต้องเอามาเปิดเผยสูตรยิ่ง จึงจะต้องรู้ด้วยรู้รู้ๆ8 ที่เป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นรอดเพื่อความ ศาสดาไหนลัทธิไหนไหนๆก็ก็มี เป็นความนึกคิดความนึกคิดต้องควบคุมดูแลจัง บารมตัวที่สุดมันเป็นอย่างไรวาจาที่ สูงสุดพ้นเป็นสัมมาอาชีพหรือสัมมาอาชีวะสูงสุดจะเป็นลักษณะอย่างไรจะ หลักใหญ่เลยมิจฉาทิฏฐิ 10 แล้วก็เห็นสัมมาทิฏฐิ 10 แล เค้ามีพิธีกรรมมียิฏฐังมีพิธีกรรมมีบูชาศาสนาไหน มีผิดมีถูกมีทูมีชั่วมีดีอย่างไรล่ะดี เอแม่นี้พ่อมีขั้นสูงขึ้นไปละไม่มีศาสนาไหน แล้วก็พ่อแม่ก็ แต่คนน่ะมันรู้แสนรู้ดีอย่างนี้ไม่สงสัยอะไร มันไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเป็นหรอก แม่มีพ่อมีแล้วต้องเป็นน่ะ ทำไมจิตวิญญาณเกิดใหม่จิตวิญญาณอันนั้นน่ะจิตวิญญาณเกิดใหม่เกิดเป็น เรียนจากๆเปลี่ยนความเป็นเชื่อๆเปลี่ยนจิตเชื่อเข้า ไอ้เนื้อหนังมังสานี่บอกแล้วสัตว์เดรัจฉานมันก็ทํา ก็ไปอยู่เป็นแบบเดรัจฉานเค้าอ่า จะต้องทําให้มันมีลูกมีเต้าแบบนั้น เราจะเรียนแล้วก็เกิดการเกิดใหม่จะเรียนแล้วก็เกิดการเกิดใหม่นี่มาเรียน มีทัศนคติอยู่กับพวกนี้พวกเนี้ยไอ้โลกก็อธิบายโลก พิสูจน์ได้โลกนี้เขาอโหสิกก็อโหสิกกันไม่อโหสิกก็พยาบาทกันอยู่นั่น ดับแล้วก็หยุดแล้วเราดับเราไม่มีการต่อก็หยุดแล้วเราดับเราไม่มีการต่อเรา และเราก็ไม่ยึดความเป็นเจ้านี่ เราจะไม่ให้วจีเป็นทุจริตเกิดเราจะ เรเราก็เป็นผู้ให้เกิดองค์ก็เป็นผู้ให้เกิดเราจึงเป็นตัวพระ ศาสนาพระเจ้าถึงได้รู้โอ้ ควบคุมจิตวิญญาณของเราวิญญาณอยู่นอกตัวโนกๆแม้ๆก็ พลังออกไปเนี่ยมันจากมนุษย์นะไม่ ดาบิคิดว่าวิญญาณที่มันไปแล้วมันก็มีความต้องการที่ มนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันจิตวิญญาณของแต่ละร่างแต่ เพราะว่าคุณจะต้องมีคนที่มันมา อยากจะพบกันมันมีทุกคนเพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่า ที่ว่าเกิดพบวิญญาณซะอีกน่ะวิญญาณมหามนตรียากหายากที่สุดแล้ว เออไม่ได้พบอ่ะอยากพบตายจากกันแล้วจะเป็นจะตายแล้ว จะรู้เองต่อเมื่อคุณถึงจุดสุดท้ายคุณเกิดญาณปัญญา นั่นเป็นตัจจิตนะคุณฝันนี่เป็นตัจจิตเราคิดเนี่ยจิตของคุณโอ้โหเป็น มันจะไปแสดงตัวให้คนรู้ว่ากําลังฝันเป็นเรื่องนั้นเรื่อง เป็นอย่างงั้นน่ะมันบ้าบ้าหลงบอไว้เป็นสารพัดทุกข์ก็อยู่ในนั้นคุณเป็นจริงในขณะที่ โอ้บางทีนี่ไปเจอทุกนะ มันไม่มีสุราภาวะไม่มีแท่งกลองไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้น เป็นจิตเป็นอำนาจเป็นอะไรได้ขึ้นมาแล้วอ่ะ คุณพิสูจน์ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าคุณสามารถที่จะรวบ มีพลังงานรวมเป็นอำนาจรู้ไปรู้ได้อย่าง คุณจึงสามารถที่จะทําจิตนี้แล้วก็ๆแต่และไม่เทียงอาศัย เหมือนกันเลยกับนักมวยในขณะที่กําลังหนุ่มหนุ่ม เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์กับๆฝึกซ้อมแล้วก็เสื่อมได้ตามอายุกาลอีกแหละตามคุณ เพราะฉะนั้นเทวดาเทวดาอะไรบรรดาดีสติมันโตไม่ ทำไมวิริยะมีแรงอะไรเพราะจะจะถาวรมันเป็นเรื่องของความศาสนาสมัยโบราณศาสนาพระพุทธเจ้าเค้าก็มี เป็นอเทศนาปาฏิหาริย์อันสูงส่งยังไงมันก็สามารถทํา ย่ะน่ะแล้วก็มันได้แค่นั้นเองไม่เข้าเรื่องอะไร 10 มาสักไม่ได้หลอกน้อยก็ไม่ได้นี่ได้สักร้อยก็บุญไม่ได้หรอกร้อย แต่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าสู่อเทศนาอกาย เราก็สบายสังคมก็สบายแล้วสอนได้มากด้วยสังคมก็สบายแล้วสอนได้มากด้วยพิสูจน์ อ่ารู้จักความพอดีความเกินไม่เอา ท่านไม่สงสัยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ชั้นใดท่านก็ทราบอยู่ว่าให้ฤาษีมนท น่ะขออย่างดีกว่าอย่าว่าได้พระพุทธเจ้าท่านพระโพธิรักนี่ก็ แพ้เข้ามาตั้งนานไปถูกหลอกยังไงไม่รู้เรียนตลก นะถ้าเราแก่ ปกติสูตรอ่ะเป็นไปไม่ได้น่ะไม่ถาวรได้ช่วงนึงนิดเดียวอ่ะแต่ศาสนาพุทธเจ้านี่อนุศาสนี ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากยิ่งแก่เนี่ยยิ่งเกี่ยว การเอามือไปตีเค้าเอาอำนาจรวมๆอะไรนิดอะไร เป็นการหยิบธุลีเศษกิเลสออกไปจนสะอาดและถาวร อาจจะไม่ตรงจะไม่ผมขอบอกว่าผมพูดของผมเองผมไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องประกาศปัจเจก ถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอยืนยันเองนี่เองทฤษฎีของฉันเอง แลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่มาผมมาจากพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าเองพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเจ้าเองเป็นเรื่องปากเขาเป็นเรื่องความเห็นของเขาเป็นเรื่องความคิดอ่านของเขาเขาเป็นคนพูดเป็นเขาเป็นคนจับมายัดให้ผมเองเอง เพราะฉะนั้นคําพูดคํากล่าว ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าในรอบๆ มีความสูงพร้อมเสมอกันเป็นพุทธะเสมอกันเป็นเจ้าพุทธเจ้ามันมันลายกาดอ่า ผมไม่ได้เป็นคนหลงผมยังเป็นคน อาจารย์นี่สอนมาก่อนผมอีกเกิดมาก่อน ตัวเอาไว้มาจากลมนึกคิดเอาเองด้นเดา ความรู้ก็เป็นสังคตธรรมแต่มันเสื่อมก็เป็นสังคตธรรมแต่มันเสื่อมแต่ถ้าเผอว่าทําให้ติด เงินเป็นตั้งหมื่นล้านเป็นล้านล้านไว้ตั้งหลายล้านล้านล้านๆคุณก็สละหมื่น มีความเก่งกาจเก่งกล้าแค่ไหนปลด มันเกี่ยวกับผู้อื่นเหมือนกับเป็นลูกหนี้ดังที่กล่าวแล้วคุณจะบอกว่าเลิกความเป็น แต่ไอ้คนที่มันเป็นเจ้าหนี้อยู่นี่ที่มันยึดมันถือกัน <és> เครื่องชนแม่อโหสิมันก็ไอ้ศูนย์อยู่ดีถ้าบอก แล้วจะไปใช้หนี้อ่ะ ยิ่งจริงคนมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยบอกอภัยแล้วอภัยแล้วเออเอาเถอะยกให้ไม่ <เออ S 1> ลองสิถีบลาปตีอีกทีตีอีกทีโกรธดีรับรองไม่โกรธ คนพวกกล่าวถ้าๆด้วยใครที่ว่าจริงๆไม่ได้อภัยด้วยจิตอรหันต์ไม่จริงหรอกจะ มาติอีกก็เอามานะมัน แต่ถ้าพระอรหันต์แล้วท่านปลดปล่อยหมดจริงๆตีอีกตีอีกท่านก็ไอ้อย่างเก่าอะไรท่านจะไปถือสา สัจจะให้มันไปเลยถ้าบอกมันไม่ใช่สัจจะที่จะต้องให้ถ้าก็ เรื่องอะไรเราจะอยู่ให้เค้าตีอยู่จะดูเค้าทํา เอ่ออันนี้เป็นความซ้อนอ่าเป็นความซ้อนพระอรหันต์นี่นะอโหสิแล้ว บาปของเราก็เป็นบาปอยู่นั่นแหละอ่าบาปของ พยาบาทอยู่เค้าก็ยังมีความเลวอยู่ เพราะฉะนั้นคนขอนี่ตีสมมุติว่าตีเค้ามี ฟังให้ดีนะอัน 50าา ท, 50 ไอ้ พอเข้าใจมั้ยถ้ายกตัวอย่างนี้ในกอก็เลยแบกเอาบาปตัว นะนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องๆมันก็ถอด บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญอ่าพระท่านบอกว่าแม้ เราถึงได้ไม่ใช่ว่าหายไปจากบาปนะเอาไปทําบาป ก็ยิ่งหามนิ่งประมาทอ่าพอเคยไปทํากับพระอริยะได้ก็เลยนึกจะไปทํากับไป เนี่ยมันไปทับทวีเงี้ยเรื่อยๆๆๆบาปมันไม่ มองโดยสายตาของโลกก็ท่านใจ คนที่ได้ถูกรับยกย่องเอ้ยคนที่ได้รับ อภัยคนนี้ไปอ้าวๆๆๆมาคะแนนเสียงที่ได้มานะเท่า นี่แหละลักษณะเดียวๆมากเพราะท่านอภัยโอ้ท่านอภัยเนาะนะท่าน หยาบมากขึ้นมากขึ้นอ่าแน่นอนรับวิบากหนักขึ้นแต่ในหลักของปรมัตถ์จิต ปากายกรรมกวจีกรรมถ้าโดดพระอริยะพอชั้นสูงแล้วสับกันจะ แต่หนักมากมันยังไม่เกิดเลยยังไม่เป็นแล้วเราเอง พระอริยเจ้าจึงต้องอภัยกายกับวจีแต่จิตที่ยังไม่เกิดเลยเกิด อ่าเอามหาจตาริสกสูตร 40 อ่า 40 เชิงนะ 40 เชอ่า ที่จบลง 29 สิงหาคมพุทธศักราช 2524 และต่อจาก 17 ธันวาคมพุทธศักราช 2523 อารามาทําวิบากวิปากะภาษาบาลีวิปากะมันหมายถึงผลวิบากกับกรรมเนี่ย เมื่อกระทําแล้วมันจึงจะเกิดสิ่งที่ อนาคตมันจะไปเป็นผลเป็นปรากฏการณ์ แม้แต่อรหันต์เองก็ไม่ได้ คือภาระที่ท่านได้ทรงขึ้นได้ทํา ยิ่งพิสูจน์จริงเราก็ยิ่งจะมี เราก็จะรู้ว่าอันนี้มันมา เป็นผลที่ไม่สบายผลที่ไม่สบายส่วนกรรมที่ มันเป็นสิ่งที่ได้มาทดแทนอย่างมัน เป็นรูปรอยอะไรของโลกเค้าเฉย ถ้าเราจะเรียกสุขก็เป็นสุข ถ้าเรามุ่งมั่นตามทฤษฎีนี้เราๆเราๆ เดี๋ยวนี้เราก็พิสูจน์ได้ว่าเราไม่ต้องอาลัย เราไม่เรียกค้องไม่ได้อะไรไม่ โดยไม่ว่าในอย่างใกล้อย่างไกลอย่างมากอย่างน้อย